เคยได้ยินคําพูดที่ว่าเงินเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวหมายความว่าถ้าเราใช้เงินรู้จักใช้มันก็ก่อมให้เกิดประโยชน์มากมายทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับผู้อื่นแล้วก็ส่วนรวมแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เงินครอบงามจิตใจจนมันกลายเป็นนายเรา อันนี้ก็จะเกิดความทุกข์และอาจะถึงขั้นความหายนณได้เราคงได้ยินนะคนที่หลงไหลยึดมั่นเอาเงินเป็นสารณะนะจนกระทั่งไปขโมยไปปล้นไปฆ่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการเงินเงินเนี่ยมันชักจูงให้เขาทำสิ่งเหล่านั้นอันนี้เรียกว่า เงินนี่มันกลายเป็นนายเขาไปแล้วแล้เมื่อกลายเป็นนายก็สามารถจะทำให้เขาทำความชั่วอย่างไรก็ได้ไม่ใช่แค่ปลดไม่ใช่แค่โกงบางครั้งก็ถึงกับฆ่าพี่ฆ่าน้องเพื่อแยังชิงมรดกหรือบางทีก็ถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแมนะ่เพราะต้องการทรับสมบัติ จากพ่อแม่อภิธศศาสนานี่ไม่ได้ปฏิเสธเงินนะเห็นว่าเงินก็มีประโยชน์เนะดยเพราะถ้ารู้จักหาเงินด้วยวิธีการที่ชอบธรรมหามาได้แล้วก็ต้องใช้นะนถ้าไม่ใช้นี่พระพุทธเจ้าก็ตำหนิด้วยซ้ำนในสายพฤต ก, การ ก็มีเศรษฐีในเมืองสาวัตถีที่ร่ำรวยมากแต่ว่าอยู่อย่างตรนีทีเหนียวกินข้าวปลายหักกินแบบอดอ ด, ดอยากๆก็ว่าได้เสื้อผ้าก็ปูปะไม่ได้แบ่งให้ใครใช้เลยพอตายนี่ก็ปรากฏมีเงินทองเยอะมากมายสุดท้ายก็ตกเป็นของหลวง เพราะประเพณีของ อ, อินเดียสมัยก่อนนี่ถ้าไม่มีทายาทนะสมบัติก็ตกเป็นของหลวงไปเข้าพระคลังหลวงพระเจ้ากําหนิสรษธีคนนี้ว่ า, าเป็นคนโง่นะที่ไม่รู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์ก็คือเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงผู้อื่น เช่นลูกหลานพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณบริษัทบริวารรวมทั้งนำเงินนั้นไปช่วยอุปถรัรมภ์สมณชีพพรามผู้ง่ายคือช่วยส่งเสริมศาสนาแล้วก็เกื้อกูลส่วนรวมบางคนไปเข้าใจาวาพุทธศาสนานิปฏิเสธเงินนะจริงไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีท่าทีกับเงินอย่างไรถ้าเรารู้จักใช้ก็เกิดประโยชน์มาก แต่ถ้าเราปล่อยให้มันกลายมาเป็นนายเราอันนั้นคือเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาไม่ต้องถึงกับไปฆ่าไปโกงไปแกงไขนะเพียงแค่เงินหายแล้วทุกเนี่ยจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าให้เงินเพื่อนยืมไปแล้วเพื่อนไม่คืนจะเป็นพันเป็นหมื่นนะหรืออาจจะแสนก็ตามเสร็จแล้วก็เสียใจคับแค้น ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนปล่อยให้ร่างกายพายพร้อมอันนี้ก็ถือว่ากำลังปล่อยให้เงินเป็นนายเรานะโทรศัพท์หายเนี่ยเรากลุ้มอากุ้มใจถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่ามันเป็นนายเรานะไม่ใช่เราเป็นนายมันสร้อยเพชรนะรถยนต์ถูกขโมยไปนะ เราเป็นยังไงตรอมตรมไหมนะถ้าเราตรอมตรมนะกุ่มอกกุ้มใจหรือบางทีโทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่ต้องลดหายนะเพียงแค่ลูกขีดรถเป็นรอยก็กดลูกจนตีลูกนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ใช้รถแล้วไม่ได้เป็นนายของรถแล้วนะแต่ว่าปล่อยให้รถเป็นนายเรา นอกจากเงินจะเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เลวแล้วเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศนะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวคือถ้าได้ยศได้ตำแหน่งหรือว่ามีฐานะมีอำนาจแล้วใช้มันให้เกิดประโยชน์นะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นนายมันมันเป็นบ่าวของเราแต่ถ้าเกิดว่ายอมทำชั่วเพื่อมันยอมทาชั่วยอมหักหลังเพื่อนเลื่อยขาเก้าอี้ใครต่อใครเพื่อให้ตัวเองได้มีฐานะตาแหน่งสูงขึ้นหรือว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็แสดงว่ามันกาลังเป็นนายของเรา มันสามารถที่จะบงการให้เราทําชั่วได้นี่ก็เป็นอื่นไปไม่ได้แสดงว่ามันเป็นนายเราและเราก็เป็นบ่าวหรือเป็นธาตของมันพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องเรื่องยุศ ธ, ธาบรรณาศักดินะ์เพียงแต่ว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันจกนกระทั่งมันกลายเป็นนายเราบางคนนะอาจจะไม่ถึงกับทําชั่วหรือคดโกงกันแกล้ง เพืนเพื่อเพื่ อ, อให้ตัวเองได้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่เวลาที่ตัวเองต้องพ้นจากตำแหน่งหรือว่าต้องออกจากยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็มีความเศร้ามีความเสียใจหรือว่าถูกคนเขาแย่งชิงตำแหน่งไปแล้วก็เสียใจครับแค้นใจนี่ก็ถือว่ามันกําลังเป็นนายเรานะเรากําลังกลายเป็นบ่าวของมันเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า เวลาถูกเลื่อนตําแหน่งให้อาจเคยอาจจะเคยเป็นผู้จัดการนะอาจจะเคยเป็นหัวหน้าแล้วก็ถูกลดชั้นลงก็เสียใจกราดเกลียวนะอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นนายเราละมีเรื่องเล่าว่ามีผู้ว่ารการจังหวัดคนหนึ่งนะก็อยู่ในจังหวัดที่ใหญ่พอสมควรก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ เป็นพ่อเมืองของจังหวัดนั้นเพราะมันเป็นจังหวัดระดับระดับ A อนะแต่ว่าพอเกษียณ น, นะก็เสียใจหงอยเหงาเพราะว่าไม่มีคนห้อมร้อมเหมือนแต่ก่อนก็อยู่แบบหงอยหงอยเสื่องซึมนะอันนี้เรียกว่าจมไม่ลงวันหนึ่งก็มีจดหมาย มาเชิญให้ไปยังจังหวัดที่ตัวเเคยเป็นผู้ว่าก็ดีใจนะดีใจที่จะได้ไปพบลูกน้องดีใจที่จะได้ไปเจอบรรยากาศเก่ากเ่ๆที่มีความสุขแต่พอไปถึงแล้วก็ผิดคาดนะเพราะว่าลูกน้องที่เคยมาห้อมร้อมก็เขาก็ไม่สนใจใหญ่ดีนะเขาก็ไปห้อมร้อมผู้ว่าคนปัจจุบัน พ่อคาวานิทนะที่เคยมาแห่แหนนะเคยเอาของมาให้เคยมาทักทายเขาก็ไม่ค่อยได้มาสนใจเท่าไหร่เขาก็ไปห้อมล้อมแห่แหนผู้ว่าคนปัจจุบันแกก็ถึงขั้นเรียกว่าช็อกเลยนะเรียกว่าอกหักไปเลยผิดหวังมากกลับไปบ้านก็เสียใจยิ่งกว่าเดิม เรียกว่าตรอมใจเลยนะเราไมรู้เป็นเพราะเห็ุนี้หรือเปล่าทําให้แก่อยุสั้นอยู่ไม่นานก็ตายหกสิบต้นๆเท่านั้นเองอันนี้ก็แสดงว่าปล่อยให้ยศถาบรรดาศัก์มันกลายเป็นนายของตัวไปแล้วนะถ้าเราเป็นนายมันนะมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ใจได้เราก็มีแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องหลุด หรือต้องวางก็วางได้เรื่องนี้เราจะเคยได้ยินนะได้ฟังมาแล้วแต่ที่จริงจะมีอีกอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเนี่ยสิ่งนั้นคือความคิดนะความคิดเนะี่ยเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวให้ลองพิจารณาดูดีๆนะจริงอยู่เนี่ยเราต้องใช้ความคิดในการทำการงานต่าง เราจะมีชีวิต ท, ที่ปกติสุขจเจริญงอกงามเพราะต้องใส่ความคิดนะโดยมีความรู้เป็ น, เ ป, นเป็นอุปกรณนะ์มีความรู้แล้วก็ต้องใช้ความคิดนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ความคิดก็พาเรามานี่พาเรามาปฏิบัติความคิดนีเป็นก็เป็น สิ่งที่จะช่วยเราแก้ปัญหาเวลาเรามีปัญหาเราก็ใช้ความคิดนี่แหละเพื่อหาทางออกเวลาเพื่อนเรามีปัญหาเราก็ใช้ความคิดของเราไต่ตรองเพื่อช่วยพาเพื่อนออกจากความทุกข์ความคิดมีประโยชน์แน่นอนนะตราบใดที่เราเป็นนายมันแต่ถ้าเราเพลอปล่อยให้มันเป็นนายเราเมื่อไหร่นี้แย่นะ ลองสังเกต ด, ดูว่าชีวิตเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยปล่อยให้ความคิดเป็นนายเรามากน้อยแค่ไหนเวลาเรานอนเนี่ยเราน อ, นอนหลับไหมถ้านอนไม่หลับเพราะว่าความคิดฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นนายแล้วนะเพราะถ้าเราเป็นนายมันเนี่ยเราต้องสั่งให้มันหยุดได้หรือเราต้องรู้จักวางมันลงได้นะเหมือนเครื่องมือมันเป็นประโยชน์เพราะเรารู้จักใช้ ถึงเวลาใช้เราก็หยิบมันขึ้นมาถึงเวลาไม่ใช้เราก็วางมันลงนะอันนี้เรียกว่าเราเป็นนายความคิดนะเมื่อถึงเวลาเราก็ใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาเพื่อทำความเข้าใจผู้คนซึ่งเกิดประโยชน์กับเราแต่เมื่อกร็ตามที่ความคิดมันมันปั่นหัวเราไม่หยุดเนี่ยนะอันนี้แสดงว่า มันเป็นนายเราแล้ว เ, เวลาที่เราเจริญสติเนี่ ย, เ, ยเราคงจะเห็นแล้วเนาะว่าเนี่ยความคิดนี่มันพาเราไปไหนตลอดเปิดเปิงมันพาเราให้ไปจมอยู่กับอดีตเศร้าเสียใจรู้สึกผิดโกรธแค้นอารมณ์เหล่านี้ทำให้ทุกข์ไหม ไม่มีใครปฏิเสธนะว่ามันทําให้ทุกข์แต่ทําไมก็ยังคิดอยู่ยังคิดจมอยู่กับเรื่องนั้นอยู่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแค้นยิ่งคับใจแต่ทําไมยังไม่หยุดคิดหลายคนบอกหยุดคิดไม่ได้นั่นแหละแสดงว่ามันเป็นนายแล้วละบางคนก็กังวลนะกังวลเรื่องลูกกังวลเรื่องหลานเมื่อวานเมนื่อวันศุกรก็มี โยมพาแม่มาแม่ก็ยุดประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วลูกสาวก็อยากให้แม่ปล่อยวางลูกสาวนะ่ยาให้แม่หายห่วงเลิกห่วงลูกสาวแม่ก็บอกมันหยุดห่วงไม่ได้ันยังห่วงอยู่นั่นแหละนะีอันนี้ก็เป็นอาการที่แสดงว่าความคิดมันเป็นนายเรานะ เพราะว่าที่ห่วงพ่อห่วงก็เลยต้องก็เลยคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆเขาก็อยู่สุขสบายดีก็ยังคิดไปในทางวิตกจริตว่าเขาจะเป็นทุกข์เขาจะลำบากไหมไอ้สิ่งที่คิดนี่มันไม่ได้ตรงความเป็นจริงเลยแต่ว่าก็หยุดคิดไม่ได้คิดคิดคิดจนนอนไม่หลับลูกสาวก็บอกนะถ้าห่วงมากๆแบบนี้ตายก็ไม่สงบนะ แม่ก็รู้แต่ ว, ว่าก็บอกว่ามันหยุดห่วงไม่ได้ห่วงเพราะอะไรเพราะคิดพอะคิดไปในทางรายก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าความคิดเป็นนายนะเราเป็นอย่างงั้นบ้างหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ห่วงห่วงลูกแต่อาจจะห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงงานการมาถึงนี่แล้วก็ยังคิดถึงเรื่องงานการบางทีก็คิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่ คิดแล้วก็เศร้ากังวลหรือบางทีก็คิดถึงเพื่อนที่เขาทำไม่ดีกับเราก็ <c ups> เกิดความเสียใจเกิดความขับแค้นเกิดโทสะเดินไปเดินยองกลไปก็คิดไปคิดเป็นวักเป็นเวรทำไมถึงคิดไม่รู้จักหยุดทาง้าทีก็รู้ว่าเรากำลังมาเดินเจริญสตินั่นก็เพราะมันกลายเป็นนายเราไปแล้ว คนเรานี่ถ้าหากว่าปล่อยให้ความคิดเป็นนายนะมันก็จะลงเชื่อความคิดทุกอย่างเลยมันจะพาไปไหนก็ัยกับมันมันจะสั่งให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้ให้ว่าให้ทาร้ายก็ว่าก็ทำร้ายอันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายเราสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าความคิด กำลังเป็นนายแล้วคือการที่เราหลงเชื่อความคิดทุกอย่างมันคิดอะไรก็ทำตามมันและนั่นแหละนะคือที่มาของความทุกข์แล้วก็อาจจะเป็นที่มาของการสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นด้วยเมื่อสักยี่สบสาสิปีก่อนนี่สมัยที่หลวงพ่อคำเขียนนะอยู่ที่ถ้ามาไฟหวานก็มีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งบวชใหม่ พี่ชายพามาให้มาปฏิบัติกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็รับเขาเอาไว้แล้วก็ให้เขาเดินจงกรมเขาก็เดินแบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ดูไม่ค่อยเต็มใจกับการปฏิบัติผ่านไปไม่กี่วันเขาก็มาขอศึกหลวงพ่อก็ไม่ยอมศึกให้ให้เขาไปเดินจงกรมต่อก็เดินไปสักพักไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาอีก จะขอสึกอีกแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขามาบวชเนี่ยไม่ได้มาบวชเพื่อปฏิบัติหรือเพื่อเดินจงกรมเขามาบวชเพราะพี่ชายขอให้บวชตอนนี้เขาก็บวชแล้วนะจะสึกละหลวงพ่ออมเข่งก็ไม่ยอมให้เขาไปเดินจงกรมต่อไม่กี่ชั่วโมงเขาก็กลับมาอีกรอเราจะขอสึกให้ได้ ทีนี่หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าเนี่ยอะไรทําให้ท่านเนี่ยมาหากับมาหาผมเ้าก็คิดสักพักก็บอกวความคิดครับหลวงพ่อเขียนก็เลยถามเขาว่าถ้ามันคิดแล้วทําตามทําทําตามความคิดทุกอย่างจะไม่แย่หรือถ้ามันคิดแล้วทําตามความคิดทุกอย่างจะไม่แย่หรือ ท่านก็ไม่ศึกให้พระหลวงนั้นก็ไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเช้าตรู่พอเขาเห็นหลวงพ่ อ, ขอเขียนมาเขาก็รีบเดินมาหาท่านแต่เขานี้ไม่ได้ลบรล้าขอศึกละมากราเพื่อขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อที่ไม่ศึกให้เขาทวบเนี่ยทวาบอกว่าถ้าเขาศึกไปเนี่ยเขาต้องไปฆ่าคนแน่นอนเพราะว่า ตลอดสองวันที่เดินจงกรมคิดแต่เรื่องจะฆ่าคนสองคนคงเป็นชู้กับกับคงเป็นภรรยากับชู้นะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาจะหาเงินหาพาปืนอย่างไหนแล้วจะไปฆ่าอย่างไรฆ่าแล้วจะเอาปืนไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วจะหนีอย่างไรคิดวางแผนไ้หมดเลยแต่ไปพ่อหลวงพ่อห้ามเขาเอาไว้ แล้วก็พูดทวงเขาด้วยว่าถ้าทาตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือ <_ d ata> เขาก็เลยได้สติขึ้นมาแล้วก็เลยตัดสินใจไม่สึกนะแล้วก็มาขอบคุณหลวงพ่อพระรนาษสุกึก็ไม่ไดไม่ได้สึกนะแล้วก็บวชต่อเป็นสิบปีอันนี้เป็นตัวอย่างนนะว่าคนเราเนี่ยถ้ามันถ้าทาตามความคิดแล้วเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นตามมาถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักทักท่วงความคิดเท่าไหร่พอคิดปุ๊บก็ทำตามมันปั๊บเลยไม่ว่าจะทำตามด้วยการคิดเตลิดเปิดเปิงไปหรือว่าทำตามที่มันสั่งเราต้องรู้จักนะทักท่วงความคิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราเนี่ยเราก็จะทำตามความคิดทุกอย่างเลยในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่า เราเป็นนายมันนะเราก็จะสามารถเลือกเฟ้นได้ว่าหรือใครควรว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนควรทำตามอันไหนไม่ควรนะเราเคยทักทวงความคิดบางหรือเปล่านะหรือว่าเราทาตามความคิดทุกอย่างเลยนะถ้าเราถ้าความคิดเป็นเป็นบ่าวของเราเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักทักท้วงมัน คนทุกวันนี้เนี่ยนะคิดเก่งก็จริงนะแต่คิดไปคิดไปคิดไปกลายเป็นว่ามันเป็นนายเราแทนที่เราจะเป็นนายมันคิดคิดเก่งจนกระทั่งหยุดคิดไม่ได้แล้วก็เลยนอนไม่หลับนะกินก็คิดนะเข้าห้องน้ำก็คิดนอนก็คิด ฝันก็ยังคิดต่อนะเรียว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งไอ้กลางคืนฝันนี่ไม่เป็นไรนะแต่ตอนกลางวันนี่ทําอะไรก็ยังคิดไม่หยุดนะคนทุกวันนี้ภูมิใจในความคิดของตัวหารู้ไหมว่าปล่อยให้มันเป็นนายเราไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วถ้าเราเป็นนายมันเนี่ยเราต้องรู้จักทักท้วงนะทักท้วงมันได้แต่ถ้ามันถ้าเราปล่อยมันเป็นนายเรานะเราก็ตามมันต่พึ่งตะพือ เชื่อมาทุกอย่างสมัยที่หลวงพ่อชาสุภัทโทท่านยังมีชีวิตยอยู่นะท่านก็ก็มีญาติโยมมาปฏิบัติกับท่านเยอะชาวบ้านทั้งผู้ชายและผู้หญิงโยมผู้หญิงหลายคนก็มาขอบวชีกับท่านบางคนจะเรียกว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาก็ก็ไม่เชิงนะอย่างเช่นไป ทะลกับสามีมาแล้วก็หออผ้าหออผ่อนมามาหาท่านบอกว่าจะขอบวชชีแล้วก็พูดถึงขั้นวันเนี่ยจะบวชตลอดชีวิตแล้วเพราะว่าเบื่อแล้วกับชีวิตครอบครัวมันมีแต่ทุกข์ลุงพ่อก็มักจะทัดทานเขาว่าเดี๋ยวเพิ่งคิดอย่างนั้นให้ลองมาบวชอยู่สักสองสมวันหรือว่าสองสามอาทิตย์ดูก่อน เราค่อยตัดสินใจว่าจะบวชตลอดชีวิตหรือไม่หลายคนก็บอกว่าตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะต้องบวชตลอดชีวิตไม่ศึกแล้วบอกว่าบวชได้สองสาวันหรือบางทีสองสามอาทิตยนะ์ผัวมาของนะง้อง้อไม่กี่ไม่ทลายเลยก็ขอผ้าผ่อนกลับบ้านมนาะนะก็เป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยนะ ไปแพ้บวชหบวชตลอดชีวิตนะเสร็จแล้วพอนะพอแฟนมาคืนดีด้วยก็เปลี่ยนใจใจอ่อนหลวงพ่อท่านเลยพูดว่าอย่าไปเชื่อมันนะจิตเนี่ยจิตในที่้คือความคิดอย่าไปเชื่อมันแต่ที่ส่วนใหญ่ก็เชื่อนะเพราะว่ามันกลายเป็นนายของตัวเองไปแล้วก็เลยทำตามที่มันสั่งทุกอย่าง เราเนี่ยลงเชื่อความคิดไปจนกระทั่งเกิดปัญหามากมายนะกี่ครั้งกี่หนแล้วนะบางคนเห็นแฟนนะอยู่กับผู้ชายในร้านกาแฟ s t a r b u c k ซะ Starbucks ด้วยนะดูท่าทางมีความสุขมากเ็ไม่เคยคุยกับเรามีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยนะก็ปักใจเชื่อเราเนี่ยแฟนเรากำลังนอกใจ พอเจอแฟนที่บ้านก็เลยทะเลาะ ก, กันแฟนก็บอกไม่ใช่นะไม่ใช่นั่ไ ม, ไม่ไม่ได้นอกใจนะั่นเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนรุ่นเรียนเจอกันมานานไม่ได้เจอกันมานานสามีก็ไม่ยอมนะก็ทะเลาะเบาแหวงกันจนถ้าบางทีเกิดความระหองระแหงนะความจริงอาจจะเป็นอย่างที่ฝ่ายหญิงพูดก็ได้นะว่าไม่ได้นอกใจแค่เจอเพื่อน ที่ไม่ได้คบกันมานานเท่านั้นเองแต่พอปักใจเชื่อแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ยอมฟังทั้งสิน้นอันนี้ก็เรียกว่าหลงเชื่อความคิดนะปล่อยให้ความคิดมันกลายเป็นนายเราโดยที่ไม่รู้จักทักท้วงเวลามันมีความความคิดหรือข้อสรุปใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเราเราเชื่อมันทุกอย่างหรือเปล่าเนะี่ยประสบการณ์ของเราก็อาจจะบอกได้ซ้ำนด้ว่าบางยางมก็เชื่อไม่ได้นะ บางอย่างเราด่วนสรุปไปเสร็จแล้วก็พราบว่าที่เราสรุปนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่แต่เราก็มักจะเผลอด่วนสรุปไปโดยที่ไม่ทันคิดมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าวันเนี่ยวันนึงเขาขับรถไปลําปางไอ้เส้นทางไปลําปางนี่มันก็เส้นมันเป็นก็เส้นทางคดเคี้ยวนะเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาด้วยก็มีช่วง น, นึ่งที่เขากำลังขับรถด้วยความเร็วเนี่ย ก็มีรถคนหนึ่งเนี่ยพ้นเ ห, เหลี่ยมเขานะซึ่งเป็นทางโคง้งแล่นตรงมาหาเขาด้วยความเร็วแต่รถนั้นก็สายไปสายมาจนกระทั่งมากินเลนในฝั่งของเขาเขาก็เลยต้องรีบเบรกเหยียบเบรกแล้วก็รีบหักรบให้หักหักรถเนี่ยหลบข้างทางบอกว่ารถคันนั้นเนี่ยคนขับเป็นผู้หญิงก่อนที่รถจะ แล่นผ่านก็คนขับก็ชะโงกหน้าออกมาที่หน้าต่างแล้วตะโกนว่าควายเขาโกรธมากเลยนะคนที่เล่าเนี่ยเขาก็ตะโกนด่าไปเลยนะอีกควายนน้อยนะขับรถผิดกฎนะจน เ, เกิดจะอุบัติเหตุล้าเข้ามาในเลนเขาแล้วนี่ยังมาด่าเขาอีกนะย่างดีนะที่ด่าทันก่อนที่เขาจะแล่นผ่านเลยไป คนที่กำลังกลุ่นๆอยู่เนี่ยครับรถต่อไปนะบอกว่าพอหักเลี้ยวหักโคง้งไปเลี้ยวโคง้งบอกว่าไปเจอควายฝูงใหญ่เลยเบรกไม่ทันชนไปนะไม่รู้ควายตายหรือเปล่าแต่รถก็บุบไปเขาเลยได้มาได้คิดโอ้ที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเนี่ยพูดเตือนเขาว่าควายอยู่ข้างหน้าแต่มันเวลามัน สั้นนิดเดียวก็พูดได้ไม่มากนะแทนที่บอกระวังควายอยู่ข้างหน้าก็พูดสั้นๆมาควายอาจจะเป็นคนจากภาคใต้ก็ได้นะพูดสั้นๆแต่ว่าสรุปว่าไงนะเชื่อแล้วไงยว่าเขาด่าเราแก็ต้องด่ากลับก็าด่าอีกควายเขาเตือนเราแต่ว่าเขาเตือนเราด้วยความวางดีแต่ว่ากลับไปคิดว่าเขาเขาด่าเรา อันนี้ก็เพราะว่าไปลงเชื่อความคิดนะไปด่วนสรุปนะนะด่วนสรุปแล้วคนเราเนี่ยสร้างความทุกข์เหตุกันละกันเนี่ยเพราะการด่วนสรุปเนี่ยมากทีเดียวมีหมอคนหนึ่งนะเล่าว่าเคยมีเด็กเด็กอายุสักสีห้าขวบป่วยหนักนะพ่อพามาก็ต้องแอดมิททันทีเลยแล้วหมอก็บอกพ่อว่าเวลาหมอขึ้นเวรตอนเช้าเนี่ย ให้อยู่ด้วยนะเพราะว่าถ้ามีอะไรจะได้บอกพ่อให้ช่วยดูแลลูกพ่อลูกยังเด็กนะพ่อของเด็กก็รับปากนะวันแรกหมอขึ้นเวรก็ก็ไม่มีอะไรนะพ่อก็อยู่วันที่สองก็พ่อก็ยังอยู่วันที่สามก็ยังอยู่แต่พอวันที่สี่พ่อหายไปแล้ว ไม่อยู่หมอก็ก็ยังไม่ว่าอะไรวันที่ห้าขึ้นเวรอีกพ่อก็ไม่อยู่หมอชักไม่พอใจแนละ้วพอตกเย็นนะหมอเจอหน้าพ่อของเด็กก็ต่อว่าเลยว่านะทำไมไม่อยู่ดูแลลูกนะตอนที่หมอขึ้นเวร น, นะลูกของคุณอาการหนักนะ คุณควรจะใส่ใจควรจะรับผิดชอบมากกว่านี้ปพราะว่าพ่อองเด็กนี่ก็ยกมือไหว้เลยนะก็บอกหมอผมขอโทษด้วยครับแต่ว่าข้าวที่ผมเอามาเนี่ยมันหมดสามันก็หมดแล้วผมไม่มีข้าวเหลือเลยก็เลยต้องไปกินข้าววัดวัดใกล้ๆโรงพยาบาลกว่าจะได้กินข้าวนี่ก็ต้องรอให้พระฉันเสร็จฉันเสร็จตัวเองกินข้าวเสร็จก็ต้องเก็บถ้วยล้างชามกว่าจะเสร็จนี่ กลับมาที่โรงพยาบาลก็ก็ไม่เจอหมอแล้วหมอได้ฟังหมอก็เสียใจเลยนะว่าเราอุตส่าห์ไปว่าเขาว่าเขาไม่รับผิดชอบแต่ที่จริงเนี่ยเขาหน้าสงสารนะเขายากจนนะมานี่ก็เอาเข้าวติดตัวมาเงินกม็มีไม่เท่าไหร่เข้าหมอก็ต้องไปพึ่งวัด เขาก็ได้บทเรียนว่าเนี่ยก่อนจะว่าใครกวรจะตำหนิใครเนี่ยนะมันต้องแต่ถามให้รอบข้อก่อนอย่าไปด่วนสรุปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างคนที่เชื่อความคิดนะไม่รู้จักทักท้วงความคิดหรือว่าไม่รู้จักคิดเผื่อบ้างเช่นถ้าเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าคนที่มีคนที่รู้นะรู้จักความคิดดีเนี่ย เขาจะจะไม่เชื่อความคิดทุกอย่างก็จะลองคิดเผื่อดูว่าพ่อหายไปไหนอาจจะเป็นเพราะเขามีเหตุจําเป็นหรือเปล่าแล้วรเราถ้าลองลองคิดเผื่ อ, อนี่ดูบ้างนะาการที่จะทะเลาะเบาะแวงกันหรือว่าสร้างความทุกข์แหกันก็จะน้อยลงแต่การที่ทํากั้นได้เนี่ยมันต้องมีสตินะมันต้อมีสติต้องรู้จักยังย้งยั้งยั้งคิด หรือว่ายังจิตมันคิดขึ้นมาแว บ, บหนึ่งเนี่ยว่าไอพ่อคนนี้ไม่รับผิดชอบคนที่มีสตินีเ่เขาจะเขาจะยังไม่ไม่ด่วนสรุปนะเ้าก็จะลองคิดเผื่อว่าอาจจะมีเหตุจาเป็นก็เลยทำให้พ่อนี้ไม่อยู่ยอันนี้แหละที่เรียกว่าความคิดเนี่ยนะเรามันเป็นบ่าวของเราเราเป็นนายความคิดคือเรารู้จัก ไต่ตรงเรารู้จักพิจารณารู้จักเลือกเฟ้นความคิดไม่ใช่หลงเชื่อมันตะพืตะผืออันที่เรามาเจริญสตินเนี่ยนะก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยมาฝึกจิตจนกระทั่งสามารถจะเป็นนายความคิดได้มันคิดขึ้นมาก็รู้ทันเห็นมันแล้วเราคงจะประสบ ด้วยตัวเราเองนะว่าในระหว่างที่เรามาปฏิบัติสองสมวันเนี่ ย, เ, ยเรารู้ทันความคิดแค่ไห น, นความคิดนี่มันพาเราให้ทุกข์เพียงใดพอมันคิดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะมันก็สามารถจะพาเราให้ลืมตัวเดินอยู่นี่ไม่รู้เลยว่ากำลังเดินนะ ไปแล้วนะคิดไปไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะคิดต่อเนื่องกันเป็น1ิบเรื่องก็มีบางคนเดินเนี่ยแค่สมเมตรเนี่ยยังไม่ถึงสุดทางเลยนะคิดไปแล้วสามเรื่องนะดีนะที่ว่าพอถึงสุดทางนี่หยุดแล้วก็เลี้ยวนะถ้าไม่เลี้ยวถ้าไม่หยุดนี่ก็คงคิดต่อไปความคิดนี่มันมันพาให้เราสึกเบือ่อ มันพาให้เรารู้สึกง่วงพาให้ ร, รู้สึกหงุดหงิดรําคาญในรหว่างที่เราปฏิบัติหลายคนจะรู้สึกเลยนะว่าโหมันเดินจงกรมสร้างจังหวะนี่ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ทําไมมันยากแบบนี้เพราะอะไรเพราะความคิดมันอยากจะดึงเราออกจากการปฏิบัตินะบางทีมันก็นึกถึงอาหารที่อร่อยไอศครีมที่ชวนกินนะอันนี้เรียกว่าทําให้เกิด การมาฉันทะบางทีมันก็ฟุ้งซ่านนะคิดสารพัดร้อยแปจนกระทั่งอยากจะอยากจะเลิกปฏิบัติอันนี้เราอุทธจักกุจจะบางทีมันเกิดความหงุดหงิดนะเพราะว่าไปนึกถึงเพื่อนที่เขาตอว่าก็ไม่พอใจหรือเขาส่งเสียงดัง แล้วก็ไปจดจ่ออยู่กับการกระทาคำพูดของเขาก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาหรือบางทีก็เกิดความขุนเคืองนะไม่ขุนเคืองสิ่งที่อยู่รอบตัวนะแต่ว่าไปขุนเคืองเนะืสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ทำให้ไม่อยากปฏิบัติอันนี้เรียกว่าเกิดพยาบาทขึ้นมานะพยาบาสนี่มันไม่ได้มันไม่ไ้หมายความว่าจะต้องไปคิดทาร้ายคนนะ แต่ว่ามันเป็นอาการโทรสะบางทีท่านก็ใช้คำว่าปฏิฆะนะนละที่มันรบกวนเรามากก็คือความหลังเลสงสัยนะสงสัยว่าเนี่ยไอ้ที่มาเนี่ยเราเราคิดถูกแล้วหรือเนี่ยนะพามานะไม่น่าเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อเขาเลยนะนี่เพราะเกงใจเขาเราถึงมามาแล้วก็ทุกแบบนี้นะหรือว่าสงสัยไอ้ที่ทำเนี่ยถูกหม อาจจะเรือด้คิดว่าการปฏิบัตินี้ยังไม่เหมาะกับเราก็ได้เรายัางหนุ่มยังสาวอยู่นะเอาไว้แก่แล้วค่อยมาปฏิบัติ ด, ดีกว่ามันคิดอยากจะเลิกเนี่ยความคิดทั้งนั้นแหละนะอันนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาไม่ต้องพูดถึงความง่วงเหงาเหานอนนะคือพอมาไม่คิดขึ้นมาเนี่ยก็ง่วงนอนแทนให้ลองสังเกตดูมันเป็นความทุกข์เพราะความคิดทั้งนั้น แต่ที่จริงคิดแล้วไม่ทุกก็ได้นะแต่พวกคนเราทุกเพราะความคิดก็ไม่ก็ไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าแต่เรียกว่าทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดมากกว่านทุกเพราะไม่รู้ทันความคิดแม้ความคิดมันจะฟุ้งซ่านออกมาสิบเรื่องยี่สิบเรื่องหรือร้อยเรื่องถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็ทําแล้วแล้วไม่ได้เลยนะมันเกิดขึ้นปุ๊บเรารู้ทันมันก็สลายตัวไป แม้แต่ความหงุดหงิดเกิดขึ้นเรารู้ทันมันก็หายไปความรังเกียจสงสัยเกิดขึ้นเรารู้ทันมันนะมันก็ไม่สามารถจะรบกวนจิตใจเราได้มันจะไม่สามารถจะครอบงำกําหนดหรือบงการจิตใจเราได้ไม่สามารถจะเยีดเยียมความทุกข์ให้กับเราได้เลยนะถ้าว่าเรารู้ทันมันไอการรู้ทันมันนี่แหละที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นนายมันและทาให้มันกลายเป็น บ่าวที่ดีของเรานั่นถึงแม้พวกเราหลายคนซึ่งเริ่มมาปฏิบัติได้วันสองวันสามวันอาจจะรู้สึกว่ามันลำบากมันทรมานนะก็อยากจะชี์เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะยอมแลกนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะเป็นนายเหนือความคิดได้ เราปล่อยให้มันเป็นนายเรามา น, นานแล้วเรากลายเป็นท่าของมันนานแล้วมันลากลูกถูกลกางจิตใจเราไปแต่พื้นเตือเป็นวักเป็นเว น, เนมาจนกระทั่งทุกข์แล้วทุกเล่าอันนี้ก็ยังดีนะที่อย่างน้อยเราก็มาถึงตรงนี้บางคนนี่ความทุกข์มาเล่นงานจนกระทั่งเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือบางทีคลุ้มคลั่งถึงกับฆ่าตัวตาย คนที่ฆ่าตัวตานี่ก็เพราะว่าปล่อยให้ความคิดเล่นงานครอบงมจิตนะมันสั่งให้ฆ่าตัวเองก็ทำนะทั้งที่มันผิดมันขัดกับสัญชตาตญาณของมนุษย์นี่ก็เพราะว่าความคิดมันเป็นนายที่เวลวเราต้องยอมเหนื่อยหน่อยนะเพื่อที่จ ะ, ะมาเป็นนายเหนือความคิด และเมื่อก็ตามที่เราสามารถที่จะควบคุมความคิดหรือว่ า, าเป็นนายความคิดได้เนี่ยมันก็ความคิดนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ประสบกับความสุขมันคิดเมื่อถึงเวลาคิดแล้วมันหยุดคิดได้เมื่อไม่ใช่เวลาของมันเช่นเวลานอน อาจจะมีฟุ้งบ้างตามวิสัยของจิตนะแต่ว่ามันก็ไม่รบกวนเพราะว่าเรารู้ทันมันและถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้จักความคิดรู้ทันมันดีพอเราก็จะพบว่ามันมีประโยชน์หลายเรื่องก็จริงแต่บางเรื่องเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้มันมีข้อจำกัดมันมีขีดจากัด เหมือนกันที่เราจะใช้ความคิดในการที่จะเข้าใจว่า Salesforce รสอร่อยเป็นอย่างไรความหวานมันเค็มเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่มีทางใช้ความคิดในการเข้าใจนั้นมันได้เลยจนกว่าลิ้นเราจะได้รับรสนั้นเองเราไม่สามารถใช้ความคิดในการเข้าใจความรักความเมตตาได้เราไม่สามารถจะใช้ความคิดในการที่จะเข้าใจภาวะที่สงบลึกซึ้ง เพราะการปล่อยวางไม่ต้องพูดถึงการที่ไม่สามารถใช้ความคิดในการเข้าใจความสุขที่ชื่อวันนิพพานได้มันมีข้อจํากัดแต่ถ้าเราศึกษาเรารู้เราดูรู้ทันความคิด บ, บ่อยๆเราก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรและมีข้อจํากัดอย่างไรถึงตรงนี้แหละก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปหลงเชื่อความคิดหรือว่าไม่ไป ไม่ไปพึ่งพาอาศัยความคิดในทุกเรื่องทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้จากการที่เรานะมาเจริญสติอย่างนี้แหละนะฝึกดูกายรู้กายก่อนแล้วก็ค่อยมารู้ใจรู้ใจคื อ, อรู้ทันเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมานะแม้ว่าตอนนี้เนี่ย อาจจะเหนื่อยอาจจะทุกข์เพราะความคิดเนี่ยมันปั่นป่วนมันจะก่อกวนเราจะเรียกว่ามันกลัวเราเป็นมันกลัวที่เราจะอยู่ในอำนาจของเราจะมีอำนาจเหนือมันก็ได้นะมันเคยเป็นนายเราแต่ตอนนี้เราจะพยายามเป็นนายมันมันก็จะพยายามปั่นป่วนพยายามก่อกวนเราเพื่อให้เราเนี่ยเลิกปฏิบัตินะเราจะได้เป็นทาสของมันต่อไปนะแต่ว่า เราต้องไม่ยอมนะเราก็ต้องทำต่อไปจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นนายเหนือมันได้เหมือนกับมาพยศนะถ้าเราไม่รู้จักถ้าเราไม่รู้จักควบคุมมันมันจะกระโดดมันจะพยศมันจะอารวาสยังไงเรายอมแพ้เราก็ไม่มีทางที่จะฝึกให้มันเชื่องได้เราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานมันได้เราก็ต้องกล้าต้องเพียรต้องพยายามต้องเข้มแข็งต้องอดทน ไม่ว่ามันจะประยศยังไงก็ตามเราก็ยังก็ไม่ท้อถอยและในสุดมันก็จะยอมแพ้แล้วมันก็จะยอมนะเป็นม้าที่เชื่องนะอันนั้นแหละคือภาวะที่เราเป็นนายมันละคํานี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะกลับร้าพร้อมกัน